สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักร่องคนชอบเล่าคลิปนี้เราจะไปทัวร์ทางน้ํากันนะครับพร้อมกันหรื อ, อยังครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณตรินดีกว่าครับแล้วเรื่องราวของคุณตรินก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับผมตรินครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พี่เคยผมเจอมาพี่เคยผมมีชื่อว่าไข่ครับเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่ไข่ได้มาแต่งงานกับพี่สาวของผมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านจังหวัดชุมพรด้วยกัน และเมื่อมาอยู่รวมเป็นครอบครัวเดียวกันพี่ไข่ก็มีหน้าที่ช่วยพ่อกับแม่ของผมดูแลสวนยางพาราโดยเพราะว่าตัวผมนั้นมีอันต้องเดินทางไปที่กรุงเทพบ่อยก็เลยไม่มีใครดูแลพี่ไข่พี่เขยของผมคนนี้เป็นคนที่ชอบหาปลามากซึ่งจังหวะไหนที่ผมกับแกอยู่บ้านด้วยกันแกก็มักจะชวนผมให้ไปหาปลากับแกด้วยเพราะแกไม่รู้พื้นที่แต่ก็อย่างที่รู้ๆกันครับผมเป็นคนที่ชอบเข้ปาป่าผมก็มักจะปฏิเสธแกไปก็มันไม่ใช่แนวนี่เอาล่ะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนักคืนหนึ่งที่แกชวนผมไปปักเบ็ดซึ่งภาษาทางภาคใต้เรียกว่าทงเบ็ด <c oughs> ขอดอนุญาต่ายทอดเป็นเสียงภาคกลางนะครับไปทงเบ็ดกันไหมแกร้องชวนผมไม่ไปพี่ไปทงที่ไหนล่ะคถามแกกลับไ ป, ปออก็ที่หนองค่ายสวนปำลึกอ้อยใกล้ๆนี่แหละน่าจะมีปลาเยอะมันจะมีปลาหรือพี่ไปที่อื่นดีกว่ามั้งพี่ผมบอกแนะนําแกหนอง น, นี่แหละน่าจะมีปลาเยอะ พูจบแกก็หอบอุปกรณ์เดินไปทางหลังบ้านจนเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณสองทุ่มพ่อก็กลับมาจากการไปสมาคมกับเพื่อนซึ่งตอนนั้นผมกันบังนั่งคุยอยู่กับแม่และพี่สาวที่เพิ่งกลับมาจากบ้านนาเอ๊ะใครไปไหนอะ่ะพ่อถามไปทงบ็ดอยู่ที่หนองข้างศูนย์นุก อ, อ, อสผมตอบพ่อไปคําพูดของผมทําให้พ่อกับแม่ถึงกับอึง้งและพูดออกมาพร้อมกันเลยหนองอื่นก็มีเยอะแยะทําไมมึงไม่บอกพี่มันว่าเออทําไมไม่บอกมัน ก็จะบอกแล้วแต่กลัวพี่แกจะกลัวผมตอบน้องที่นาแดงกับลูกแกตายใช่ไม่พ่อพี่สาวผมถามเออพ่อบอกแกตายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอพี่สาวผมก็ถามอีกตายไปนานแต่ก็ยัมีคนเห็นอยู่บ่อยถามน้องมึงดูสิแม่พูดบ้างเคยแต่ได้ยินเสียงไม่เคยเห็นถ้าเคยเห็นต้องไปถามพี่หนึ่งดูเป็นแค่ยอยู่หลายวันเลยผมบอกพี่พี่หนึ่งเป็นลูกของเพื่อนพ่อครับส่วนแกติดกับนองนั้นเลยซึ่งถือได้ว่าแกเป็นคนที่คุ้นเคย แกเคเห็นน้าแดงกับลูกทั้งตอนที่ยังมีชีวิตแล้วก็ตอนตายเมื่อเราคุยกันจบต่างคนก็ต่างเข้านอนเหลือเพียงแต่พ่อที่นั่งดูทีวีอยู่คืนนั้นผมก็กันมังนอนสบายแต่ห้าทุ่มก็เมียนต้องตื่นขึ้นเพื่อลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําก็เหลือเจอกับพ่อที่ยังคงนั่งดูทีวีอยู่แกก็ถามว่าไข่ไปทงเบ็ดทําไมยังไม่กลับวะสงสัยปลาจะกินดีมั้งผมตอบแกแล้วก็รีบไปเข้านอนต่อมันง่วงคืนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าพี่ไข่พี่เคยกลับมาตอนไหน จนเมื่อรุ่อรุณมาถึงตื่นนอนตอนเช้ากันผมก็ชงกาแฟแล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะหน้าบ้านแล้วก็ได้พบเจอกับพี่เขยซึ่งดูเหมือนว่าแกกําลังหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยสีหน้าที่งงๆหาอะไรพี่ผมร้องถามแกหากบเละสิพี่ขังไว้ในถังไม่รู้มันหายไปไหนพี่ไม่ได้ขังทั้งถุงเหรอใส่ถุงมัดปากถุงแล้วก็ไว้ในถังไงเอาคมครอบด้วยตอนนี้เหลือแต่ถุงพี่ไข่อธิบายคมในที่นี้ก็คือกระมังครับ มันน่างงหรือแต่ถุงแกวว่าสรุปแล้วได้ปลาไหมล่ะเดือดปลาดุกมาเจ็ปตัวแล้วกบทํายังไงถึงได้มาล่ะเมื่อวานพี่เอาชะมูกไปด้วยเหรอผมถามย้ําแกบีอีกเป็นจช่วัดเดียวกับที่พ่อผมตื่นขึ้นมานั่งกินกาแฟด้วยไม่รู้ว่าใครนะเขามาส่องกบพอคุยกันแล้วถูกคอเขาก็ให้มาสีตัวแต่เขาบอกว่าเขารู้จักพ่อกับหน้าหลวยด้วยนะน้าหลวยเป็นพ่อของพี่หนึ่งมากับเด็กสองคนผมกับพ่อมองหน้ากันเขารู้จักมึงได้ยังไงวะพ่อถาม เขาถามแบบผมมาจากไหนเขาไม่เคยเห็นหนะผมก็บอกไปว่าผมเป็นลูกเกยปอเปียนเขาก็บอกว่าเขารู้จักพ่อพี่เขยว่าพูดกลางหรือผู้ตายวะพ่อถามย้อีกครั้งพูดกลางครับนั่นคือคําตอบของพี่เขยผมกลัวู้ไปทั้งตัวเลยทันทีที่พี่เขยตอบออกมาพราะที่แกพูดมาหน้าแดงแน่ๆไอ้แดงมันยังไม่ไปไหนอีกหรอวะเนี่ยพ่อพูดเลอยๆไม่ต้องหาแล้วกบเนะ่ยมันไปแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะพ่อบอกพี่เขย แล้วแกก็บอกกับผมว่าอย่าบอกพี่ไข่นะเดี๋ยวไม่กลัวพอช่วนสายหน่อยแม่กับพี่สาวผมก็กลับมาจากการไปไข่ของที่ตลาดนะตอนเช้าครับพากันไปตั้งแต่ยังไม่มีใครตื่นพี่สาวเจ้นหน้าพี่ไข่ก็ถามทันทีเป็นไงพี่ได้ปลาไหมเมื่อคืนเนี้ยได้แต่ไม่กี่ตัวเขาเห็กกบมาสี่ตัวไม่รู้ว่าหายไปไหนพี่ไข่บอกไปพี่สาวรู้สึกเฉลียวใจเลยถามใครให้มานะ่ะไม่รู้จักว่าใครหรอกแต่มากับเบ็กสองคน เท่านั้นแหละพี่สาวผมได้ฟังก็ร้องตะโกนเสียงแหลมเลยน้าแดงนะ้าแดงไม่ใช่คนผีหลอกแล้วเอ้ผีที่ไหนจ้ากบมาให้เขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในสวนปามเนี่ยตรงข้ามกับบ้านเราเขาบอกว่าเขารู้จักเกือบทุกบ้านแถวนี้พี่ไข่อธิบายก็ทำไมจะไม่รู้จักล่ะก่อนแดงมันตายมันก็เดินผ่านหน้าบ้านเราแวะเอากบมาให้พ่อมึงแล้วพอมันผ่านไปสักพักใหญ่ๆก็ดียินเสียงปืนแม่ผู้สนับสนุนแต่ตอนนั้นดียินเสียงปืนก็คิดไปยิงมูสัง มูซำก็คือยี่เห็นครับและพอตอนเช้านะัหลวยก็มาตามพ่อมึงบอกว่าแดกกรหลูกมันตายแล้วถูกยิงน่าสงสารมันแม่ผู้ให้ฟังน้ําตาก็คลอไปด้วยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มานะัแดงแกเป็นคนดีแกไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครและหลังจากนั้นก็มีคนเจอกันบ่อยปีก่อนน้องชายนั่นหลวย์ก็โดนโดนแบบไม่ยืนคุยด้วยตอนแกไปรดน้ําทุเรียนนะ่ะพอฟังคําแม่พูดจบพี่เขยก็เดินเข้าห้องไปเลยเราทุกคนมองหน้ากันแล้วก็คิดว่าดีนะที่แกไม่กลัว ผมยังแอบชื่นชมแกอยู่ในใจมันต้องอย่างนี้สิพี่เคยที่พี่สาเราเลือกไม่ผิดเลยแต่ปรากฏว่ายามค่ําคืนคืนนั้นแกก็มีอาการละเมอเหมือนเป็นไข้สภาพเหมือนคนที่จิตหลอนจนพ่อต้องรีบพาไปรดน้ํามนต์ที่วัดก็กินเวลาไปหลายวันครับกว่าแกจะหายเป็นปกติได้ในส่วนของคนที่ทํากับนาแดงและลูกทราบว่าพวกนั้นไม่ได้ติดคุกแต่คําว่าเวรกรรมยุติธรรมเสมอผู้ที่กระทํากรรมต้องชดใช้กรรมอยู่นอกคุก คือตายไปหนึ่งคนอีกคนที่รอดไม่ตายปัจจุบันนี้อย่างพิการอยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วเรื่องราวของแม่แดงให้กบก็จบลงก็ผ่านไปนะครับกับเรื่องราวที่คุณตรินได้กรุณาแบ่งปันมาทีนี้เราไปฟังประสบการณ์ที่คุณรอนสินมา ส, มาส่งมาบ้างครับถ้าออกเสียงนับสกุลผิดต้องขออภัยนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าวันนั้นผมได้ไปหาปลาที่คลองสาธารณะท้ายหมู่บ้านกับลุงสองคนออลืมแนะนาครับลุงผมชื่อจักครับ ส่วนผมชื่อตาซึ่งคลองก็คือสถานที่ที่เราไปกันนี้มันอยู่ติดกับป่าช้าถือได้ว่าเป็นป่าช้าที่เห็นพอดูแต่เราก็ไม่เคยกลัวเพราะว่าผมกับลุงจะไปหาปลาด้วยกันบ่อยก็ไม่เคยเจออะไรนะนอกจากปลาคืนนั้นเราก็พากันพายเรือไปตามปกติก็พายไปพายไ ป, ยไปจนไม่ถึงน้ป่าช้า เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้ถึงหอนได้ไดี๋ยวยังไงถึงได้หอนเนี่ยดื้อเลยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็มากับลุงนี่เห็นลุงเฉยเฉยก็เฉยบ้างเวลาผ่านไปเพียงครู่มาก็หอนเรื่อยๆกับบรรยากาศวังเวงที่ภายเรือกันอยู่สองคนลุงยังคงเงียบไม่พูดจาอะไรแต่ตอนนี้แค่เสียงยังไม่พอตอนนี้เริ่มมีกลิ่นมาด้วยผมเดินเริ่มกลัวแล้วจะให้กลัวได้ยังไงเพราะว่ามันวังเวง นีก็ป่าชา้าบรรยากาศรอบกายเยือกเย็นแล้วหมาก็หอนด้วยบรรยากาศแช่สุดๆผมได้แต่งงว่าทําไมเราสองคนถึงไม่คุยกันเลยปากก็ไม่ได้อมอะไรไว้แต่มันนึกเรื่องที่จะคุยไม่ออกกลิ่นก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นและฉุนขึ้นหมาก็หอนรับประสานการคล้ายเพลงโอเปรา่าจะว่าไปลักษณะของกลิ่นก็คล้ายกับหมาเน่าแต่ไม่ใช่มันเหม็นกว่าผมก็พยายามมองหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะเือยเหม็นเน่ามากเลย ทนไม่ไหวก็ร้องถามลุงที่หัวเรือว่าลุงได้กลิ่นอะไรไหมอืมก็ได้อยู่นะสงสัยคืนนี้มันจะเล่นเราซะแล้วตามจริงผมก็กลัวแต่ก็ยังไม่ไหวปากเก่งบอกไปว่าโถลุงอะไรมันจะมาให้มันมาเถอะครับไม่รู้จะเก่งทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเลยพอจบคำที่ผมพูดลงตูมปรากฏเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงเหมือนกับว่ามีสิ่งของขนาดใหญ่ตกลงมาในน้าผมกับลุงเรียบมองไปทางต้นเสียง นอกจากความมืดและผิวน้ําที่ราบเรียบก็ไม่มีอะไรระมองหน้ากันเวลานั้นก็ประมาณสามทุ่มได้แต่สาหรับผมบรรยากาศมันเป็นตีสามไปแล้วเหมือนว่าทั้งโลกมีเราอยู่สองคนลุงหลานรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งผมก็ขนหัวลุกแล้วไม่รู้ว่าลุงจะลุกด้วยหรือเปล่านะตูมมาอีกแล้วเสียงไมาอีกแล้วเรียบมองไปดูกันก็ปรากฏเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรน้ําก็ยังคงนิ่งมาก็ยังคงประสานเสียงหอนกันดังเหงื้อมบ อ, อกเต็มมือเลย เหมือนกับว่าเวลาช่วงนั้นมันเดินแบบสโลโมชันเหลือเกินจะคิดจะทำอะไรมันช้าไปหมดจนเรือเราลอยลาไปอยู่ใต้กิ่งไม้ที่ยื่นลงมาในคลองบรรยากาศยิ่งชวนสยองเข้าไปอีกตูมเอาอีกแล้วอะไรหล่นลงน้ำอีกแล้วแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้มีเสียงกลุ่มคนกำลังเดินเสียงคนเดินดังมาจากตรงพื้นที่ป่าช้าซึ่งระยะเสียงนั้นก็อยู่ไกลกับเราพอสมควรผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วขอใช้สิทธิ์ที่พึงมีแนะนาลุง ทั้งกลิ่นทั้งเสียงเลยลุงเรากลับกันเถอะเงียบๆไว้หลานเอ้ยอีกแป๊บหนึ่งเราสองคนได้ไปแน่จไปไหนอีกลุงกลับกันเถอะตอนนี้ผมกลัวมากแล้วเออก็ไปที่ชอบที่ชอบไน่อ <c> ย <oughs> แกว่าแมมยังจะมาเล่นมุกอีกนะผ ม, มรีบตั้งท่าตั้งถางจะพายเรือกลับพอผมเงยหน้าขึ้นไปบนกิ่งไม้ก็ต้องตกใจด้วยว่ามีใบหน้าหนึ่งกําลังมองผมลงมาแล้วก็ส่งยิ้มให้ใบหน้าที่ตาโตเหมือนไข่ปากกว้างไปถึงหู มันเป็นใบหน้าที่ผมคุ้นเคยทนไม่ได้แหกปากออกไปเอ้ยแทนมึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้แทนเป็นรุ่นน้องผมมันตายไปแล้วเพราะอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถส10บลอ้อเป็นผีไปแล้วเมื่อ1เดือนผมกับลุงไม่มีใครพูดพร่ำทําเพลงพากันรีบจ้ามพายเรือกลับที่พักกันทันทีโดยมีเสียงหัวเราะของไอ้แทนดังมาตามหลังพรี ช่วยกันจ้ำช่วกันพายอย่างเร็วไอ้สิ่งหัวเราะก็ตามหลังมาติดติดตูมตูมแล้วก็ตูมสิ่งของหนักหล่นน้ำก็ดังตามมาเราสองคนไม่มีใครเหลียวหลังจ้ำพายกันอย่างเดียวพอเราพายพ้นระยะจนสิ่งต่างๆค่อยห่างไกลไปสิ่งหมาหอนก็หายไปด้วยจนกลับไปถึงที่พักกันได้ ร, รีบเข้านอนคลุมโปงจนถึงเช้าเลยแล้วก็คิดว่าลุงกับผมก็คงจะไม่ต่างกันและประสบการณ์การหาปลาขผมกับลุงก็จบลงครับ ครับผมก็ผ่านไป2เรื่องราวที่จริงว่าจะตอบด้วยเรื่องจระเข้ปิดท้ายแต่เนื่องจากเวลาไม่ทันครับติดไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับขอขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ